ب ل ه الرحمن الرحيم ل ح م د رسول ا ل عالمين و ع ط ا ل ي ن متقين و ر ذ و ا ن ي ل عبودين أوصلي و س ل م على, على شرف الأولين والأخرين ي ن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ا ل ص ا د ي ن والسلّم ا ل ت س ل ي م ل ك ث ي ر ة اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وضوينا وبن ا ع ل ي ك ا وكلنا وإليه نعبد وإليك ا نصلي ربنا لا تجعلنا في نذل الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنا تأمين العزيز الحكيم اللهم ا ن ق ل ي القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم ا ص ر ل القلوب والأبصار صقل قلوبنا على ط ا ي ق ك اللهم يا ولي الإسلام وأهلي استكن على الإسلام حتى لا ت ض ي اللهم استخدمنا ولا ت س ت د م ن ا واستخدمنا حتى ترضى اللهم إنا نعوذ بك إن شئنا بك شيئا م ع ل و م ف ونستغفرك لمن لا نعلم ربنا ل م ا علمت علينا فلن م ك و ن ضراء للمجرمين ربنا عليك ت و ك ن ن ا إليه نبنا وإليه المصير وبنا تقبل منا إنك ع ن ت السميع العليم وعلينا إنك ع ن ت التواب الرحيم وقُم الصور إذا ذ ك المجرَّحين في س ب ي ل ك في كل مكان اللهم نذِّقَنا ا ل م س ت ض ط ف ي ن من المؤمنين في كل مكان ب َ ع ْ م ك ق م َ ا ت ِ ي ا َ ش ْ ه ا ل ر َ ح م ي ن ا ل ل ه م ْ ن ز ل ع ل ي ه م م د د ك و ن ص ر ك وَفُجْرَةٌ إ ل َ ى أ َ ن ْ ه َ ا ء ا ل ح ق اللهم أفرغ عليهم صبرا وتوفنا وإياهمuslimين اللهم فضي وإياهم ا ل ح ق حتى نلقى به يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أنزل أو نزل نظل أو نظل والنظيم أو نظلم أن نجهل أو نجهل علينا اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك وحدين في كل مكان يا رحمة رحمة فلاوس التعذيب و ب ط الثنيق ي يا مسلم في مسلم يكمل ر ف س ه مسلم مؤمن يكمل يضاعف م ح ل م م م ن يكمل ي ไม่ชแือความความเชื่อมั่นจะลดลงไปลูกสาวขอกุรอานว่า ا ل ال ذ ي ن ق ا ل َ ل ه م ا ل ن ا س ُ ن َ ا ل ن ا س ق َ ب ل ج م َ ع َ ل ك م ْ خ ش و ْ م ز ا و م ผู้คนที่มาข่มขู่ผู้สรัทธาว่านมวนชนประชาชนเขารวมตัวมาถลมพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าไม่กลัวเขสิระวังเขาสิเขาละเมิดผู้ศตัทธาว่าอัลลอฮฺซทนนมละกีบอัลลองแล้วสําลันซกบังทีเห็น สัญญาณบ่งถึงความล้วงเหลี่ความไม่สมบูรณ์กำลังคานเข้าไกล้ตัวเราอย่างชัดๆแต่มันก็จะไม่ติดบังสัญญาณชัยชะงักที่เราสุพรรณตาให้ผู้สรัทธาได้ยินอันนี้ ในสุรบุตรที่สความุ่มเร็วเปสนสงคราั่อีกครั้งหนึที่บรรดามสลิมรวมตัวมาลอมาลอเครด เรนนัลล์ขนาวในชงสงครามนัก็สมรรผ่นินไว้ธวรินร ก็กวัวถึงขั้นมีผู้ศทาไม่กล้าเข้าห้องน้ำไม่กล้าไปฉี่ดูขนาดไหจะขนาดไหแต่ผู้ศัทาได้พูดไม่เหมือนผู้ปฏิเสธการของมนุษย์ตัวมนุษย์ก็แสดงความหวันไหวความคาไม่ไม่ไว้วังใจแล้วต่อคำสัญญาตั้งของรแต่ผู้สรัทธาจะพูดด้วยเต็มอกเต็มใจว่า هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله مي مي في سند الله ورسوله س م ي ع و ت ب ا لا الله ن س و ل ه أن ي م ن مي ف ا ن سجّين كل أميله هي ت ع ل ن ا و ج ن ا ه مي ألي ب ي ت ن อีมีตัวยืนมีกำลังใจมีควาสามารถในการรับมืวิกฤตต่างหันหันไปรู้ที่ไหน้ก็ตามครับ ก็จะพบว่ามุสินมีวิทย์อยู่ในวิทยทันกไทุกทุกที่เลยนำมาพิสูจน์กัุรอ่านมีหลายเรื่องที่งหพวกเราได้ศึกษาเช่นเรื่องของคำเนีอายันที่หกของสุวรรณมาอีกนะ ยังไม่เลิมทุกครันที่จะมาสอนทัศนิยนก็จะพยาย า, ามผูกพันระหว่างบทวัเนีวัดอัลกุรอานกับสถานการณ์โลกให้พี่น้องได้เห็นวา่าอัลกุรอานมีชีวิตชีวา คุณอ่านนี่มีมีประโยช่์เขามีมีข้อขุันกับทุกเรื่องในทุกสมัยทุกยุคทุกเวลาคั้งนี้ผมว่าตะลึงไปนิดห น, ด น, ดนึ่งสถการณ์ลูกมันถึงขั้นวิกฤตี เกี่ยวกับความศรัทธากับการปฏริเสธศรัทธาสิ่งซึ้งเนะอิมันกับกุศลเลตอนแรกผมมอกว่าเอ๊ะคิดอย่างนี้มานรุนแรงก็อุรุยลลอระดับโลกก็มีความสห็นเช่แต่อัลมาฮฺเขาจะระวังนิดหนึง่งเรื่องการกล่าวหาว่าเป็นคาทิเนเาจะระวังนิดหนึง่ง บางทีความระว่าระวังนี่มันจะไม่มีความหม า, หายแต่เมือ่อพฤติกรรมนี่มันปรากฏชัดบางทีเราก็หนีความจริงหนีความจริงแต่ที่เคยเที่ยวให้หินระว่างุทธนาอุลมาที่บอกว่าคนที่ทิ้งละหมาดเลยนี่ยเป็นคาเซ็ ไม่ก็ไม่แต่ถ้เรื่องของบาลีิกรรเปรมันเป็นภาษีภาีางิกรรมมันน็อน็อตรีน์นะาีมันก็คืออย่งเดีนสินตะครั้อลามาบกวความตระแหนงนี่มันไม่มีประโยชน์มากนักเพราะมิกรเนีาษีมันดีนะชอบ พอสิงนี่เป็นวลีไม่ได้นะเปวลีมีการที่่งสองไม่ได้นะฉะน้นคนนี้ไม่ละหมาดเลยนี่ตามหลักใช่สหมนะอุละมาศบอกว่าเปวลีเห็นตามไหนะเป็นสกิบไม่อย่างสิงตามไมนะเขียวออกอกดูเหมือนเสียงสะพัดมกระับอยู่ังแค่เนี้ยนะก็ไม่ไม่ดีนี่แสดงว่าไม่ดี ปาลทิคเนี่คือสภาพที่ทแย่ที่สุดแต่ยังก็เป็นมุสลิมยังเป็นมุสลิมปาิคนี่ถึงขั้นที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องการใช้ทรัพย์สินของเขาด้วยเรื่อ ง, องคนสวนมานนี้ไม่เข้าใจว่าปาลทิคเนี่มีควมีคามเลวไร้ขนาดไหนเรานีปัญหา คนดีไม่ละหมานี่เปนคา่เฮ้ยไม่ใช่าเเนี่ยเป็นตาซิสและชอบเราคนนี้ไม่ฮาลานะกรูดไม่นะคนนไม่ดีนะมันไม่เป็นที่น่ารังเกียที่ศาสนารังเกียจที่อัลลอฮ์เปลี่ยนจะไม่ถึงขั้นที่จะลงโทษทไมไม่ฮาลามะกรูดก็มันไม่ดีนะเลนไม่ดี แต่นี้ก็เมือนจสถาการณ์โลกปัจจุบันที่มบอกว่าผมตะลึงฟอปวันนี้เราจะรู้เรื่องละหมาดเรื่องละหมาดแต่สมานการมันบังคับให้พูดเรื่องที่ทำให้คนเยาวาอยาว์าวละหมาดนะเรื่องดี่ยาให้คนหลุดสัดานาเลยทำไมคนเราไม่มีคนลหาเยอะ ละหมาดยึดละมาดดีอ่านคุรานทิ้งคุรานแปลว่าจะเป็นผู้นําประเทศหรือเป็นประชาชนทั่วไปคนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นภาพรวนไปโลมุสลิมบูรณะมัสยิดสร้างมัสยิดบางทีย้อยเข่ า, าใส่โต๊ะอย่างที่ะหรนนท่นลืออากต่างหาก ยามที่มุสลิมมองไม่เห็นกันน ะ, ะเขบก็ไปแอบจับมือยิวจับมืออาหรุจับมือนาซรอเพื่อเค้นข้ามุสลิมทหารยิวคนหนึ่งฮามาสจาับกลุ่มไว้โลกการบับเนี่ประเทศอาับต่างๆเนี่ยก็พยาย า, ยามประยีเระนอน เข้ามากดดันฮาให้จะได้ปล่อยทหารยูคนนี้เพื่อให้เกิดซึ่งสันตภาพดูนะทุ่งเพียงเลยนะถึงขั้นนี่ประเทศสมาชิบอกว่ายินดีพร้อมที่จะจ่ายจะเอาเธอจะจะปล่อยสักทีสหารยูนะแต่พอเกิดวิกฤตในในสังในโกอาหรับในประเทศอาหรับเนี่ยชีวิตของมุสลิมมาเลียของมสลนกายเป็นชีวิตที่สามารถสลัดได้ง่ายส วันเดียวในที่ไประเทศทีตายไปสามพันคนที่เดียวจุดเดียวสามพคนยิ่งก็ะสุนเป็นเป็นในนาทีสั้ยิงเสร็จแล้วเอามาเผาด้วยสดคนที่บตรเจ็ดหนีไปรักษาโรงพยาบาลใกล้สถานที่เนี่ยไปเผาลงมา ศบที่ถูกเผาแล้วไปรู้ตัวตนในเป็นใครนับร้อยที่เกิดขึ้นในประเทศที่เขามีฉายาว่าเป็นประเทศเมืองเมือง น, นั้นอะไครับเป็นเมืองที่มีเสาอาจารย์พันเสามีฉายาเมื่อเมื่อเจ็ดร้อยปีกรุงไยโรเนีเป็นประเทศเป็นเมืองที่มีมัดกสิิมากที่สเดในโลก เม่ใปัจจุบันนะแต่จะ้อยปีหรือเมื่อเขายึดมด่เป็นชัยาตัวประเทศอาชักที่มีมหาวิทยาลัยที่ร้สยศาษฐา์ที่เกาแก่ที่สุดแต่สถาบันนี้ปัจจุบันนี้เนีจะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ข้าเข่ข้ามสืสอสำหรับผมนี้มีความสงสัยเลย อันตรายรัฐบาลที่กาลันป ก, น ก, ก, นกนครองประเทศอีย์มุสีนรัฐบาลมุสีนผู้กครองมุสีนเราบอกนะไม่มีข้อสงสัยเลยทำไมเพราะอดีตประจันทบดีที่เข้ามาหลบ์เนี่ยชื่อวอ่าังอมมุสีเป็นคนที่มาจากกลุ่มที่มุ่งฟื้นฟู อ, อิสลามนอกเหนือจากอิสลามเป็นประจัทบดีคนแรกคนแรกในประวัติศาสตร์ของอียิตียตั้งแต ทุกที่ต <im> ัเราเราสัพหาะเราะนกสัพนี่นทีที่สิ่งทีลก็เป็นคนท่องจำบุรอานตั้งแต่นั้นแหละครูขาอีกไม่เคยมีใครเป็นคที่ต้องจำบุญอ่านซึ่งมันมีแค่นี้มัมสีต้องจำบุอ่านบงดีจะเฟินฟูอิสลนดเขาถูกขนุนเอาใทมาดารงตาแหน่ง ตครงการไม่ต้องการฟื้นผูอิสลามทุกคนมาอิสลามหัวหน้ากระบวนการขึ้นไหวถล่มฮามันมุสีนีบรรยายครั้งหนึ่งบอกว่าความล้าหลังของพวกนี้เนี่ยผมตรงนี้ผมบอกความอิสลามของฮามันมุสีเขาบความล้าหลังนี้ไม่ใชตเพิ่งเดือนนี้นะความล้าหลังนี้มันเกิดตั้งแต่พิชิตมักกะ อครวิชิดมาการแล้ววิทำไมยังล้าหลังทำไมอ่ะเขาบอกว่าคนวิจิตมาการนี่แล้วบอกบังทักบังทักใช้แนวคิดเดียวลบล้างประชาธิปไตยไม่ให้มุชิกีเนี่ยมีสิทธิแสดนความคิดเห็นมันล้าหลังตั้งแต่วันนั้นนะครับใครยังสงสัยว่าคนพวกนี้เนี่ยมีกลิ่นลิสลางอยูนะรับจงไปตุ้กตัวลิสลางของตัวเอง ผมไม่มีข้อสงสัยเรนีงยิมม่เชืไดเลยแน่นอนทำไมอ่ะผู้ของนี่ถึงแม้ว่ะจินตนาการผมนี่นไม่ค่อยแน่นอไม่ได้เเป็ปนผู้ต้องการจิแต่ผมตัตม้งนะคมุ่งตัาม่ตอนเป็นเด็กก็นดูละคร ไม่ใช่ไปดูละครเนี่ยปรอารับจะไ่ไมีละครสมัยนสมัยโซฮาบ้านี้มีละครนิดเดียวเนี่ยแล้วก็จะฉายช่วงเยนยังพราะว่าต้อเป็นละครนะนะแล้วก็ต้องไาตรงไปตรงมาก็ตเอาคนแสดงละครอบูลาฮ์ลยอบูจาฮเลยไอพวกอูชกีนี่นะเขาใส่โตไปเทา มันกองิดชินธนาการผมนี่นะครับว่าไอ้พวกผู้ช่วยี่มันก็เอามันก็ใส่โต๊ตตออะผมก็เลยเออแบวนี้ทำไมเราเอกใจเนื้อละคนขึ้นมาเขาเขียนอิสลามเขาขลุ่อิสลามแต่ว่าเขาส่โต๊ะพิมกุรานโบราณมาสิบคาอะไรนี้ว่าอืมเนการเีนป็นมุสลิมมันเรางันี่ น, นี่ผ ม, ผมไม่โดนหลอกทำไมเพาะนัมีไม่ดนหลอกเรื่องนี้นน สมัยนีมมองนะครเขา้เขาใส่โต๊ะเขาบูรณัิดรอมเขาเจ้าัิดรอมน็มุชีกเนี่ยรณนรานะแล้วเอามาอวดนาทีด้วยเราเนี่ยตั้งแต่บรรบรเนี่ยเอาน้ำย้ำยช่วยะไรกูแจกอาหารบริจาคช่วยอะไรกูตั้งแล้วนี่ยกูบอกอาจารย์คุิ่งใ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 เป็นกลางอ่าแต่นี่เป็นเป็นเป็นแคชั่นเป็กลางเป็นกลางล่าสมับกลผู้ชผู้นสูงสุดของนมูฮัมหมัดดี์ ขางกาที Seth, ่นี่เนื่องจากว่สืบ้าเราไม่ค่ยนเสนออย่างละเอียดนะครับวัก็ไม่ไมคละเอียดโดเนี้ยกลุ่มกลุ่มซิการ์กลุ่มที่ถล่มนะที่เป็นกลุ่มประชาวนเนี่ยที่เกียิอิสลามเขาเรตั้งด่านตามจุดต่างๆในเมือง ต่้งด่าเดี๋ยวไม่ใชาด่าตำรวดไม่ใช่ด่าหารนะด่าพวกจิ๊กโรลตั้งดา่าให้ความไปความมาไว้เขาก็้นี่อยากโดนเล่นงาน่โดนเล่นงานแต่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้รู้นี่โดนโดนหมดน่ผู้รู้คนห น, น่งไปผ่านด่านที่ในด้านใต้นี่โดนโดนจั็เอาถุงยางมาวางบนไหล่แล้วก็โดนดาน่าโดนใส่ร้ายโดน แั่นดินที่มุสลิมไม่มีศักด์ีแบบนี้ต้องพิจารณาแผ่นดินที่อิสลามผู้ยิย่ยใหญ่ไม่ต้องพิจารณาไอ้แผ่นดินันได้หรือเปล่าจะเพื่อใช้ต่อบคลที่ละเมือ่อิสลามและเมื่อศักดีของมุสลิมจได้ไหมทำได้ทำได้ แต่เรามัวจะดูอะไ ร, นะรในสักหนึ่อายะคือกับเรื่องละมั้ให้มันสอบ้อมกับสถานการณ์ไปเลี่ยนมุมเดียวนะครับที่สามารถเอามายอมได้ละมานี้ต้องทำทุกเวลาแม้จะต้อยายามสงคราวสางคราวก็ต้องละมั้ หรือไม่ละหมาดอันี้บางคนเข้าโรงพยาบาลสวนท่อปัสสาวะนี่เลือเลือหมาดละทำไมเพื่อเพื่อเลืหมาดนี่แหละอยู่โรงพยาบาลไม่ละหมาดเพื่บอบุง ค, คนเดินทางไปภาพทีสานี่ไม่มีมัสยิดม่มีอะไรไม่ละหมาดทาไมไม่มีที่ละหมาด ให้ไปสอนนะให่ไปสอนวัตถุมงคลว่าต้องละหมาดในสุดาที่เป็นเรื่องจริงนะีเรื่องจริงนะอยู่หน่วยราชการนี้ไม่ละหมาดทำไมเขาไม่เขาไม่ทำ้รืองละหมาดให้เรา <c oughs> มาที่จองรถมาเป็นละหมาดที่จอด <c oughs> ผมปรทใจมากเลยตอนไปศูนยราการที่จังหวัดนนท์นี่ใครเคไปะ ยัยมีนยัยชวไร้สติยัยน้ายัยยัยเลยต้องมีมีห้องละมาทุกชัดเนี่ยบอกบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยต้องพุ่งใจนะโดยขึ้นในแผ่นดินอุนดสยามเนี่ยพุ่งใจนะมีห้องลามาทุกชัดเลยโละมานี่ห้องลมานี่ลมานี่สามคน ก็เป็นการน่าวิจัยทำไมเฉพาะมันเลี้ยขนาดนั้นเล้นอ๋อมันมีเขาเขาหูวงไงหนึ่งในสามของห้องละหมาดในเป็นที่อาบน้ำละหมาดเท้ยงัตรมีห้องเลยครับมีห้องละหมาดแต่มันเขาไม่อยากให้เราไปอาบน้ำที่ไกลๆไงโอเคละหมาดละหมาดทันทีเลยนี่แสดงว่าเขามีความรู้ด้ายู่เสหนด้วยแต่ผมก็ต้องข้ออีกทีนึงหน่อยว่านี้มันมีเท้ามาละหมาดด้วย มันเป็นที่มันเป็นก๊อกสำหรับตรงนี้ทความสะอาดอี่มันต้องสความสะอาดเปลี่ยนเป็นท้องมากท้องถังตำตาสังเกตมันจะเป็นห้องเล็กๆสําหรับพนักงานไวเก็บที่เช็ดไวเก็บน้ํายาเก็บอะไรแล้วจะมีก๊อกหนึ่งสําหรับเติมน้ําล้างงั้นน่ะห้องนั้นน่ะเขาไม่ใช้ ให้ดนที่มันมากอเหลือภูมิใจที่คับเกิดมาเป็นคนไทยไอ้ปากซึ่งนะ แ, แต่อันนี้อันนี้เรื่องจริงทาไมเพราะราาการในประเทศอะไรไปรู้สิมีหลายประเทศ น, นะครับไม่มีอันนี้เรงจริงแต่าะมันพูดเรื่องขำไปนะพูดจริงนะว่าทางรัฐบาลไทย ใจใส่ไม่สิมาถึถึงขนาดทำแบบนี้นะอาจจะเป็นราชการไม่ได้เราไม่ไปดูวิ่ญาณเลยครับแล้วมาต้องละมาถึงเวลายามสงต์การเาียนรู้ก็ต้องละมาเราบอกว่าละมานี่แหละเป็นขึ้นที่จะทำให้เราเข้มแข็ง และมีความอทนอาศัลามและจงสาาให้จักสออย่างสำและาาอดทนและก็ละหมาดสองย่างการละหมาดมันก็เป็นทานออกสาคัญสำหรับมุสลิทุกคนที่ต้องการต้องการคาตอบในยามุสลิ เรต้องจินตนาการยืนยนสับสนมากสับสนมากวั น, น้รประหาเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตไปล่วนี่คือวันเดียวเสียชีวิตไปสามพันคนหลังจากนั้นก็อีกประมาณสองพัน้วทั้งวมดรวมแล้วเนี่ยน่าจะ5้า0ักว่าคนบาเจ็บเป็นหมื่นนะหลังจากนั้นก็ออกมาพูดมาปราศัยบอกว่าเราทำอะไรเนี่ยเรานึกถึงอมนต์สมุทร ผมเป็นคนที่พวนเนาะผมไยอมที่จะถามอะไรยังวไม่มีคำตอบไปตอบต่อลเนาะไม่มีคำตอบคนสับคนที่สับสนไอ้คนคนนี้เนธอพูดอยู่คนเดียวนะไม่มีใครชื่อหรอแต่มันพูด และผู้นำศาสนาหลายคนนั่งอยู่งนี้เชอาชาตเอ่ยอุลามาจากพักนลนพักนี้สัวสนสับสนอุลามาจะออกมาชีวิตของรัฐบาลเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันอิงไใจความจากอดีตบรทดานี่มาดีในวันนี้พวกวาริตพวกที่กำหนดพวก ให้กบฏไทยคือเขาออกมาระท่วงไม่เห็นด้วยกับระทหารถูกเกาหาว่ารกบฏเอาละไอ้ที่มันเป็นประทหารน่ะไม่ใช่กบฏมีคือมาลติแนของของนนอนคนที่มีอำนาจคนทาาี่มีอำนาจมีสมัครบิดมีทุอย่ยง รายอ <femme> ีของปหาที่เกิึีเที่งามนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวมันไม่ใช่เรื่องที่าจะเอามาพูดมันไม่เกี่ยวข้องกับสังคมลใช่มัตยตรงสัฮา ติดตามสงครามระหว่างเปอร์เ yeah. ซียกับโรมันยุคที่ไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีดาวเทียมนะติดตามหาข่าวเปอร์เซียกับโรมันสงครามกันและไถ่ชนะอีกแล้วละไถ่ชนะติดตามจะเอาระพูดเป็นเนื้อหาการโต้เถียงพูดคุยระหว่างสหายบารมีกันะระหว่าสหายกับพวกมุสลิมกันพวกมุชลิกเนี่ยเขาเชี่ยเปอร์เซีย พมุชาไปสลิมเขชโรมันเป็นสที่ใกล้เคียงอะสักหใกล้เคียงเขาเลยเชื่โรมันมุสลิมงดีมากกว่านการใส่ใจสถานานี้อัลลอฮ์เอามูารูม س ه ب ن س و ر َ س و ر ة ا ل ر ْ م غ ل ب ت ا ل ر و م ف ي أ د ن ى ا ل أ ر ض و ه م م ن ب ع د ه ا ل َ ب ي ن َ ا غ ل ب ن ف ي ب ض ْ ع س ن ي ن ل ل ه ا ل أ م ر م ن ق ب ل و م ن ب ع د و ي و م َ ن ه ي ف ر ح ا ل م ؤ م ن و ن ب ن ص ر ا ل ل ه ا ل ل َّ ه م كَحَسَنَةٍ ك َ س ُ ف َ ا ن ي م َ ع َ ب ع د ِ ي َّ ة َ رَمَانِ كِنُوْسُ الْمُس a อก a แจเนี่ยเขาจะทำสงครามเป็นหลายรอแล้วรอสุดท้ายเนกรมันนี่จะชนะแล้ววันหนึ่งผู้ศทาจะดีใจบิน้ส์ริลล์เม่อชนะชนะของ a ล l a อ a ล l a h ที่จะให้แก่ผู้ศัทธาแต่สนการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดระหว่างโซเวียตอเมริกาไม่ได้เกิดระหว่างคอมมิวนิสต์กับ คุนิยมนีมันเกิดระหว่างใครกับใครหืมระหว่างใครกับที่ระหว่างใครกับใครมุสลิมกินแย่ไป ไอ้กัามุสลิมได้กันเพื่อนเลยตั้งแ่ช่วงไอ้พวกนัออกมามุสลิมทเาะันเมะนอ้มเียมุสลิมขาองมุสลิมาันเองทะเลาะกันเอง มุสลิมแย่งที่ดินแย่งบ้านแย่งมรดกทรัพย์สินแล้วก็มาชกต่อยกันนะแล้วมุสลิมทะเลาะกันมุสลิมทะเลาะกันมุสลิมทะเลาะกันเอด้ว่ามุสลิมนี่ะบรมุสลิมทะเลาะกัอิหม่าม้เปิดม่ทำไม เสียงอะไรนี่มันย้อนไปย้อนไปทังนัรรมการกยอมต้องอาจ์สมุุต้องาไม่ยอมอนีมยอมทะเลาะกันไม่รเอาเลยอาวุธมามายิงมายิงกรรมกามอะไรอยทะเลาะกันนี่คสุเวลาคนุซ เราจะายนอกของสถานการณ์โดยไม่เจาะลึกก่าี่ไปที่มาอปัญหานี่มันเกดผมเชอชีวิตเยอะเยอะมีหลายคนถามผมว่าทิศทำไมไม่ละหมาดใกสุดเรอกปกล้เมืสิผมบอกให้ใกล้บ้านผมทีมีสุดอ่ใครเห็นสุดหลมีช่วยบอกผมนอยู่ไหนมีบ้านใกล้ๆใกล้บ้านมีสุดหลอกป่ น, นี่ครับเขาบอกว่ามี่มีอาจารย์ลลอ๋อที่มีเสี ย, ง, ยงนี่นั่นเป็นวัดเป็นวัดครับและอีกด้านผมผมบองวัาถูกาการดีเสีางให้มองนะครับภาวรที่มีโดวัด มีโบสถเหมือนวัดมีศิลปะผมว่ามีคนละหมาดใง่ไหมผมเรียกว่าสดาจะ ต, ต้องเป็นคนละมาสจรงคนศรัทธาจริงแต่มีน้อแขกมีเสาอาจารมีนิมบัตมีอะไรแต่คนข้างในเนี่เป็นคนที่ปฏเิเสธศรัทธาปฏเิเสธอิสลามนะผมว่าบากคนมีใจอะเรตัว เป็นผู้นำสังุมที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธการตักสินด้วยอลกุรอานไม่ใช่ผู้นมุสลิมต้องมีต้มีความชักเจนจะดูเป็นเรื่องที่เองมันแปลกแต่พี่น้องลองไปใ ช, ช้ชีวิตสมัยสันนบษฐานละลายสันนิษฐานนี้ดี่เ้องจะเห็นอะไรที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นรื่องแปลแปลกมาก ไอฮะดีเซลคนที ي ي ่ไปมุสลิมมาบุญเล่ามีโซดบอกว่าเราเนี่ยได้เห็นว่าคนที่ไม่ไปละหมาดที่สุราคนยังไม่เอาสุราคนนี้ไม่ละหมาดเลยนั่นเป็นมุนาฟิกชัดๆสมัยาคมอย่างปัจจุบันคนเรื่องนนเร่ สมัยโน้นน่ะนะละบีต <st> ัดสินอะไรเขาไม่เอาเนี่รเขาถืว่าพูดแต่แล้วไม่มีสิมุสลิมนะเนยเอารูปองค์ละบีฟนอร์ที่รันลายุบีนู่นนะไม่ศรัทธาคนนี้ไม่เอาข้าตัดสินของละบีตัวแทนลบีนี่ก็คือคนที่ตัดสินตามหลักการของขุนอาณาจารครที่สูงเล่นละบีทั้าไม่เอาล่ะทั้งไม่เอาล่ะเขาบอกว่ามาเอาขุนอาณาจารยตัดสินใหม่ เราต้องไปตัดสินที่ศาลศาลกระเช็ดแคนี้เลยเอาคูอ่อานห า, นาัิสือธรริกว่าแม่ติ้งศาลกันเลยหลมายมัมมัสกีก็ยังเขียนหนังสือไปยังศาลได้กรุณาได้โปรดปฏิบัติตามปฏิบัติตาม พระราชบัญญติของก็บาสมเด็จพระเจ้าอยู่หครที่มาที่สิ่งที่มามีปลอมมาเนะท่านกูอ่านนะใครได้รับส่วนับตรงนี้ไม่รับส่วนอ่ะใครละมาตานี่มาตรงนี้เนี่ยในศาสนาคุ้มก็นีละมาต่อมันส่ง แตเขาละหมะัดก็เชิญละหมาดแต่จะมาทำอี๋ผมงาทำไมไม่ละหมาดพวกคุณหมาดละหมาดตามเจ้าอาวาสได้ไงมีไหมมีไม่ไม่สะดว ก, กละหมาดสุ้บอกเปละหมาดตามจ้าอาาไดไมมีไหมเนี่ยไใครสอบสนใคร ส, บครสบับสวนีเกาะเนื่องแต่ว่าไม่มีฐานที่จะสอบสนีันนี้ผมไม่ว่าตอนศึกษาไปแต่อย่ามงอย่ามาทานี๋โดยในฐาน ถ้าไม่เข้าใจเจตนาจ์าเห็นภาพภาพรวมภาพลั ก, กทั้งหมดนี่เออนอยากได้ขลังามฉัอยากจะให้กอันดยอยู่กับทุกฝ่ายกั น, นั่นกันเรื่องของท่านท่านจะมีคำตอบเยื่องลงไปตอบล้านลูกแต่จะตัดสินในโลกนี้เนะี่ยมีกระบวนการสอบสวนสืบสวนหาหลักฐานอ้างอิงแล้วก็มาตัดสนินนี่คือกองต้อง แต่จะาแบบแทชวลแกะแล้ว้มันดูสาอย่างี้ยไปยไปรปไปแบบนี้นะต้องสรุปแต่รการกระทวงก็ต้องสรและนี่คือจุดยนของคนคนีนอินลกที่วคิดามเชรจัมบก ลมบาของสุวิกฤตเนี่ยก็จะหวาดกลัวจะหวั่นไหเอ๋เราไม่เศรุน خير ุมานุแล้วก็อยู่ในสภาพที่มีความโกรธวางมีความกว้างขวางก็จะตระหนี่แบบนี้เวลาอันตรายจะขี้ถังแล้วเวลามีอำนาจก็จะตระหนี่ขี้หวาอิลลัลมุสลิม ย่อมไม่นมั้ไม่มีนักแสีทัรนั้คนนี้ละหมายถึงอัลลอฮ์เดียวคนนี้ละหมายจะทาในละดสะมกนคนนี้ะาไม่มีโอกาสนะครับยต่ออัลล์ทุกทุกวันมีกีรอีันียกบดวีย د ن الصراط المستقيم. م ه ن ل أ و من ي ف م ل ه ب لا ي لا ي ن ي ن ي ن ج م ب ا ي ا لا ا ل ا لا ي ا لا ل ي ن ا لا ينجا. ينجا. لا ينجا. ي ا ي ا لا ن ا ل ا ل ا ل ل ي ا ل ن ا ل ي ن ي ن ا ل ن ي ي ن ج แต่ไม่ต้องแก่หรอกมันติดที่คนไม่สามารถทีความให้มันเข้าใจได้ยังไงอัลลออัลลอฮฺอักบร์เขาว่าเต็มสิ่งตัดสินที่ะตัดไปว่าเป็นคำสัตยที่ถูกกระนัน เพื่อให้เห็ a ว่าเนี่ยมีลักษณะนี้เนี e ยมากกว่าตัรงเใน เะอนีเน่าชีวิตเีมันมรงนี่ยหลจำแนงยี่เนบุหลัลสตังสตัี่เนบลอลอะไรี่เนบลัลที่ชีวิตของเราแต่ละคนเีมีนาที่มีพารที่ต้องทีวตต้องต้หาน้าีแม้ละาไม่มีความหมยิ่งศาสนาตอนให้ละมารและอาบน้ำละมาร์นีอายจะพูดถึงเรื่องละมาร์และอาบน้ำละมา อาบล้ำมาไม่หสมเายอาบน้ำ ม, ม, มาทำไมอ่ะต้นล้เห่มองเระฉะนั้นการละมาจะเป็นประโยชน์สำหรับผูม้มีความสัทธาคนนิรมามจะสอบสัทธา หร่อจะตามไปครบถ้วนสมบูร์กันละมาก็จะไม่มีผลการคือคนที่มาเช็ุสตินเนยละมาดในบุญลบุญไม่ไม่มีเอาคนที่มีกะลิมอร์อับอิสลามแล้วก็แต่ฮุสเละมาดแต่อิมานเเนี่ยยังไม่ถึงขั้นวาิที่ต้องมีเช่น รับนิยามนี่รับ Allah ไหมรับรับมาเยอะอยู่วันละเยอบันยอดปันยิแต่รักมีอะไรกว่านี้ إيمان ที่วาคินยังไม่ถัง เกช่นที่มีการปฏิบัติที่วายุทธ์มละหมาดวาดุมีต้องละมานะมีความศรัทาที่เป็นสนที่เป็นวายุท์เรื่องทําต้องรักอัลลอฮ์มากกว่าทุกสิ่งุอย่าวายุทนะใครยังไม่ทาในเชตรว่ามีอิมานจะไม่ไม่วายยังไม่ถึงขั้นที่ต้องมี่ะยังรักพ่อแม่มากกว่าอัลลอฮ์ ยังรักรถมากกว่าลลอฮ์หมดใจมากกว่าอัลลอฮ์รักลูกมากวากว่าอัลลอฮตำแหน่งเก้าอี้มากกว่าอัลลอฮ์ถ้าคนแบบนี้มาละหมาดละ่ะนี่แหละมันจะตอบตอบคําถามทุกคําถามว่าที่ทําไมคนนี้เขา เขาเป็นมุสลิมแล้วเขาอ่านอุครัตอัลละ์แต่พอถึวลาละหมาดิเขาไม่ละหมาดเขาไม่อยู่ที่นีละหมาดถึงวลาเไม่ละหมาดดูละพรนั่นแหะรกละรักละพรมากอัลล์มันจะกอให้เกิดปัญหาในเรื่องละหมาดทาไมอ่ะเขาลึกไปละหมาดไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับทำไมอะเขาจะมาลุกไปละหมาด ก, ก, ก, กว่าแต่ติลกเล็กนี่ไม่ใช่ติลึกนี่บแฟนละครมากกว่าแต่เนื่อจะกว่าในบ้านนี่เขานุ่งไปละหมาดที่มสิเขาต้องลุกเขาไม่ลุกโดนด่าเขาต้องลุกแต่ลุกไปละหมาดที่มัสยิดนี่นะครับละหมาดได้ไรบ้างละหมาจะแสดงด่ามามงเมื่อไหน่จะรู้กสปีนเมื่อไหร่จะถูกชักในละครกูจะพลาด จึิงถ้เป็นบอลยิงแล้วเลยนะเคยเจอนะแบบเนี้ยเคยเจอเนะี้ยเป็นที่ม่เคยเจอเนะีบางทีมีนมีละครมีอะไรเนี้ยก็จะเห็นคนสบุรุษที่มาเมื่อสิรีประทีปอารักมีปุริเจนสบุรุที่ตาเ ม, ม, มื่ อ, อสิบรสประจํำมาแล้วมาประจำช่วงที่จะมีแบบอะไรละครหรือบอลอะไรสําคัญเนี้ยนะเขาก็มานะ แต่ไม่ปกติเลยละหมาดก็เร็วแล้วก็คือมองหน้ามันแล้วก็ขอร้องแตเชฟขอรองแต่เหนเหทุกวันทุกวันฉัต้องลุกอ่านเชคก็ชอบแล้วต่ประเด็นี้นี่นั่นนันพวกเรามีไม่นั้งอย่างน ทีไห ม, มตอนแรกมาแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาอะไรนี่เพาะเขาเม่นไงถ้าคนนี้ก็จะมีเสียงแบบนี้แล้วก็นี่เสียงแมวอคนที่ชอบเสียงแมวคนที่เกลีมีเสียงหมาอก็จะเห็นเยคนที่แบบว่าสงสัยเนี่ยเสียงที่งหรี มีเหมือนกันอ่าพอลมาเนี่ยเราถึงแนวสุวสทีรักรกแตกำลังละมาอยู่กำลังเศ้าสุทีรักเศ้าอะไรอยู่แต่ก็นี่มาอีกสุทีรักเคยไห ม, มรีบลยละมาเร็วหน่อยจะได้ทันรับสายทามนี่ใช่ป้วย ที่หกของชุดอนะันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสาคัญ ม, มากเร่องละหมาดและการเตรียมตัวเข้าสู่การละหมาดเพื่อการอ่านละหมาด ข, ของ อ, าอ่านอาการย์เกี่ยวกับเรื่องละหมาดเกีเ่ยวกับเรื่องอาาขข่านใละหมาดทุกครั้นได้ประโยชน์ใหม่ได้ขอ้อมูลให ม, ไม่ได้ความคิดใหม่แด่คิดใหม่ มองถึงรืงไอ้บาดาเนี่ยของว่ารางไวเนี่ยบัญญยไวเนี่ยละเอียดที่ท่วมเหมาะจบสำหรับสำหรับมนุษย์จริก็เป็นเป็นไวยาที่พูดถึงเรื่องาวเรงี่ละเอียดูก็ดูจะดูเสี้ยวมันจะ มีข้อมูล ا ะ ب รบ้างที่จะาพัฒนาการระบาของเราให้ดีขึ้นมากกว่นี้บา ع เบ้าอุบลลาอิมินอัลชิยุ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ف ر ل س ل و و ه ك م و ع ي د ي ك م إلى ا م ل م ر ا ص ق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب و إن ك ن ت م جنوبا فتخر و َ إ ن ك ن ْ ت م َ ر ض أَوْ عَلَى س َ ر َ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ا ل ْ م َ ا ئ ِ أ َ و لَمْ َ س ْ ت َ و م ِ ا ل س َ ا ئ ف َ لَمْ تَجِدُ مَا أ ف َ ت ِ م َ ن ص َ ع ي د ً ا ت ك ْ ب َ ر ْ ف َ م َ ن ت َ ح ُ ه ُ ي ُ د ْ و ِ ه ِ م و َ ع د ي ك م ْ م ن ه مَا ي َ ه د ا ل ل َ ه ل ي َ ج ْ ع َ ل َ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ مِنْ حَرْجٍ فَلَا ف ُ ن ُ و ْ ر ِ ي م د ُ ل ِ ي ُ ط ْ ك م ي ْ ر َ ك ُ م ْ وَلِ บทเบญญาของอิสลามมันต้องมีความหมายในชีวิตของเรากับพี่เม้าอย่าข้ามประเด็นอย่าดูถูกคำนี้จะอิดอย่ามองเห็นหลักการศาสนานี่ไม่มีค่าแม้จาดูถูกหรือว่ามันถูกไม่มีค่านี่ักษา อันห น, นึ่นงนคนคงไม่ดูถูกลกศาสนาเขาคนเข้าใจว่าดูถูกศาสนานี่หมายถึงว่าอะไรเหยียดหยามใช่ไเหยียดหยามว่าร้ายเอ๊ชไม่ได้ไม่ใช่ดูถูกเหมือ น, น, นกันนะครับคือคนนี้มองศาสนานี่โดยข้ามประเด็นข้ามประเด็นทีน่ศาสนาต้องการให้เราได้ได้บรรลุ ในบทบัญญัดนั้นละมาอาบน้ําละมาดมีวัตถุประสงค์อะไรคำประเด็นอายะนี้อุณาเลนอธิบายพูดถึงเรื่องละมาดเรื่ออาบน้ำละมาดแล้วหลายทศนาที่จะพูดถึงเรื่องนั้นการอาบน้ําละมาดเน้นมากเรื่องรายละเอียดของ ขั้นตอนกนารอ่านเรื่มาคขั้นที่จะต้องมาวิเคราะห์เรื่องละเอียดออนที่ตัว อ, อ่านไม่ไพูถเลยแต่เราเอามายึดเป็นประเด็นอันแรกเลยเื่อนเรื่องธรรมะนี่ห ล, ลัมมลงหน้าหลังหน้าแต่ที่หลายเรื่องก็จะพูดถึงขอบเขตใบหน้า ดินแดงของใบานาะเรื่องตั้งแต่ตรงไหนอะ่ะเขาบอวกว่าตั้งแต่มาเนาบิตุชารีตั้งแต่ผมออที่ศีรษะอ่าที่เริ่มข้อเกข็งนะแต่มีคนก็จะโตมาแย้งบอกว่าเอานะคระสหัวเลนหัวโ ล, ลนล่ะฮะขนมจับใบนะจะนับยังไงอะ่ะ มันโคตรไม่ยอมมยังฉันรู้แล้วก็เลยมีวัรเว้โดยไม่นับคนโนมคนเหลนคนหัวร้างหัวเล้ง ห, หัวหัวหลอนไม่นับคือไม่ถือเป็น้ตาตรฐานคนที่มีถนนตัดใหม่นี่พวกโยธานี่ไม่เกี่ยว <c oughs> เอาปานกลางก็คือคนที่ถึงบังชนีนี่อันนี้ต้องไปดูขอบเขต ของใบหน้ามีอีกนิยามอน่่งอีนิยามหนึ่งแต่เดินแบบเนี้ยคุยในตำราคุยใหับือความสง่างามความสง่างามคิดลักที่สุดยอดของคุณอานในการสั่งในการบัตินบางรื่อสคัญที่อาละมาเนี่ยกไม่ยมีใครพูดล้างใบหน้า สาสนาไม่ไม่ได้ไม่ต้องการ ท, ที่จะมาต้องโต้แย้งกันถกเขียงกันในเรื่องละเอียดแบบนี้ให้คนให้ยงระวังหน้าหน้ า, นาในตรงล่างให้เก่งนะตรงล่างให้หมดนะขอบเขตขอบเขตจากข้างบนถึงข้างล่างนี่ก็คือที่ผมบอกตอนกระหม่อมเนี่ยจนถึงคางหรือกระบูก กัะดูกเป็ดกระกเข่ากระดูที่เรามีเขานี่ยนะเป็ดลักอันนี้อันนี้กะลัเดะลักษ์ตอนใี่ก็คือจุดนี้จุดกานี่ันรนี้นี่ข้างบนถึงงล่างแล้วตะวันตกถึงตะวันออกนี่จะต้นหูจะต้นหูนี่คือต้นหูหูไม่เกียวนั่คือต้นหู งหมดนี่คือมีข้ออึดมีข้อแยงมาว่าอ้าแล้วก็ใต้จมูเนี่ยนี้นี่มีนั่ลังยนเนแ่กน้คนี้เอาโน้นมาย่นวาราเน้นมาเี่ยนนีหมดเลยก็พี่น้อง คลิปรอบของการอ่านละหมาของร้านแม่เนี่ยเพระไม่รู้ที่ัอัลมป็นมไร่นี้อัี้บูรณ์ให้ดูนะครับอันี้นี่ผมชอบมากท่านนบีซุนบอกรายวันสลัมพูดถึงความของการอนลท่านนบีบอกว่าอนินจีรีหรออล كعب م ر ه العوار خلَّهِ ص ل ى ا ل ل َّ ه و َ س ل َّ م ُ كَرَّهُ ل م ن ر ج ُ ل ٍ ي ت و ض َّ ع ُ ي ن ي ك و ن َ ي َ ن ْ ي د َ ر ِ ي أ ع ن ا ن ل َ م ا ف ي َ ر س ل ي د ي ه ِ أ و يَرْيَ لَنْ م َ ر ْ ر ك َ ن ة ً م ِ ن ا ل أ ي َ ل َ ن م َ ر ر ك َ م ن ا إ ل ا خ ر ج ت خ ط ا ئ ه م ن ه م ا ب َ ن ت و ا ه ความผิดมันจะหลุดค้นจากมันที่จากอวัยวะนัานตอนอ่านมั่นและความผิดมันจะหลุกพงนจากส إ ذ ا กระสลาวะฮุแล้วในเมื่อแล้งใบหน้าของตนเองข้าจะขัตย่าหุมิโนจีความผิดก็จหลุดค้นจากใบหน้าของตนเอง فإذا م ا سحر سه ملوب س ي ق ت خرجت خطاياه من رأسه ف ه ذ قام بيت ج ن و قنجد ا ل ن ا فيلاه سريجليه เ ا دي ل ا ن خرجت خطاياه من رجليه قام ت قام جو بجنود قنجد ا ن ك ث ر م و ا ر مفصلة أكثر من هذا มันโตอับบ่อสาหันั่งดูผู้ใดที่อาบน้ำมาอย่างดีแล้วลุกขึ้นไปนั่งมาเขาก็จะดดูผู้ความปิดของเขาได้หลุด้ออกหมดเลยจากติ่งซัอยหีจากหูปบสอรีหีจาดวงตาป่วยได้หีมือและดีๆเลยชอบมากน อานนมาเตาไม่ไ no? ี้มองว่าอานนหมามันมีคุณค่าแบบนั้นเลยเคยมอาน้น้าหมามันกะจินมไปมาใจนี่จะล้างมืขวามชั่มอีกสมมติน็กบอยูขอดาดดื่มมันกับน้ำขอดาดดื่มกับน้ำความชั่วนี่มาตออกพร้อมนั้นที่ล้างอวัยวะอยู่ จนถึงหยดสุดท้ายแอซิดิกเตริลล่หยดสุดท้ายยังมีความชั่วออกด้วยนี่แสดงวะ่าน้ำทุกหยดนี้แหละมันสามารถลบลางสอาชั่ ว, ออวของข อ, ง อ, งลลองวัยวต่างหากนั่นละ ก, ลกันนะครัจินตนการนี่ความชั่วที่มันกำลังหลุดหลดไปดูสถาวันสอนวิชาศาสนา ท, ทั่วโลก ท no ั่วโลกไม่อยากจะเว้นเวนพบไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจมีสมุชาฟิตฮอตถึงเรื่องกิตาบุตตอฮารอนีมัวดว่าด้วยการทั้งความรักและชั่นั่งนั้นันึลิปัตุวดูลัทนะการานนั่นมหะก็จะมีระบรุกคนตอวูดู ชูนุ่งถงตัวท่ปัดถุตู้ลักษณะน้นจะสอนรอ่านแล้วมาเพียงไงการล้างมือล้งมือยังไงก็จะมีลักษณะโอ้เห็นไมล้างมือด้วยตัดสองมือหรือตัดมือเดียวนี่กินรัต้องมาคุยตีให้แตกเลยตกลงมือเดียวหรือสองมือ อาจารย์บอกว่าต้องดูก่อนตัดมือตัดใช้มือตัดน้ำจาดไหนตัจัดคุณลักคุณลักใหญ่เนี่ยนะตัดมาเลยไปตรงมีขันก็ได้ตัดมันเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นกระมังเล็กๆนี่ไม่ได้ใช้มือไม่ได้ทําไมยาวเลยมีเรื่องต้องวิเคราะห์ใหม่ไม่ใช่เวลาเยอะเลยเอาพอล้างเสร็จแล้วอ่าล้างมือ ในหนังส uh ืก um cool ็จะพดเลล้างมือย่ามีน้ำไม่จบางมือต้อางนี้ไทำไมเ่ราะม่ามีพูดเหมือนกันมีพูดมาเราะวบอกว่ามบาราจิมราจิมว่าอะราจมไปว่าข้อนิ้วข้อนิ้วดิวหลังมือไม่เจ ฝ่ามือนะฝามืออยู่ไหนดูที่ฝ่ามือไหนมีฝ่ามืนะ อ, อันอนะี้หลังมืออันนี้ขอ้ขอนิว้วภาษาไทยนี่นี่แหละดีใช่ปะนี่ข้อนิว้วข้อนิวน้วมีด้านในแต่ด้านนอกนี่เรื่องอะไรข้อเหมือนกันภาษาอังกฤษเขแยกอันนี้เอากดข้างในเอากดข้างนอกนี่รอยจีรนรี บาราดมีบางคนนี่นะอย่างมือเนี่ยนิ้วไอ้ผิวนี่หนาผิวนี่หนาละเอีาดแล้วพอมาถึงบารอดินเนี่ยก็คือข้อนี้เนี่ยข้อนี้มันจะอยาบไปหยาอยากละียเนี่ยโอ้ยแล้วน้ามันจะถึงเนี่ยไ่ะก็ต้องถูนัน่าลืแล้วคนี่เนี่ยททางที่ดี เนีเอามาถึงล้างหน้าอาจจะูดถึงล้างหน้าแล้วก็ะเทียงกันจนกระเจิงเรื่องเค่ต้องล้างเข่าหรือเช็ดเข้าหรือตะลีนี่ก็คือสอบนิ้วในเข้านียน่ยละเอียดเลย <c oughs> ล้างมือถึงแขนเอาพอล้างมือถึงแขนแล้วเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่นิ้วล้างมือใหม่หรือเริ่มต้น ข้อข้อมือนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วมาถึงนี่ในร้านตรงนี้ยอ่า แ, แค่ไหนเป๊ะเป๊ะเออต้องเลนไปเลยมนนี้ต่มีปัญหาเอาไปถึงเช็ดสีสระมันมายุ่ ง, งเลยเดี๋เราจะมียุ่งเลย่องเช็ดสีสระเช็ดแค่ไหนฮะเช็ดทั้งหมดหรือเช็ดกระมม์ดรเช็ดส่วนหนึ่งของสีสระส่วนนึงของเส้นผมนี่ก็ถดี๋ยวเช็ดแหละ เขาสมมติว่าอา ล, ล่างให้หแลวาวผมยาวอ่าตรงสันตรผมยาวคนผมยา ว, ยาวถ้าฝา น, นี้เป็นมัตสับชดีเนี่ยเข า, าก็สามารถเอาเส้นเดียวนะดึงอย่างเนี้ยแล้วก็เอาแตะน้ำแล้วก็นี่ถือว่าทหน้าที่แล้วตามตำราบางตำราที่ต้องพูดด้วยนี้คันแต่ทางการศึกษาทั่โลกก็วมอยู่ในเร่งนี้ อุลมาที่สอนลูกศิษย์ก็สอนนั่ น, นี้ส่วนมากน้อ ย, ยที่จะมาสอนเรื่อ ง, องจิตวิญญาณของขนาดนั้นแต่มื่อละหมาดยังไงให้คนอลไรมายังไงในทุกทั้นอ่านนวลมาแล้วก็ความชั่วมันหลุดไปด้วยมันไหลไปด้วย เตรียมอะไรนี่ก่อนว่าเตรียมอะไรจะรอ่นะาน์มาเป็นไบาดังแล้วตอบมีควบซนผเคยเห็นุลมามที่อ่านเนือมาทุกนังแล้วอเคยเห็นที่คนอ่านน้อมาทุกน้เนี่ย แล้วหลังจากอ่า น, นลมานี้ก็จะยืนทักันยนไ้กนั้นน่ะดีหลายอย่างที่เราปฏิบัตบิจะบางทีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ด้วิเคราะอไม่ดีลึกซึก้งในส่นเรื่อมนั้นนีนั้นนั้นเช่นดูอ่าหลังอานลามาเช่น ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ้ากอวัยวะบางทีอวัยวะเราสะอาดอยูอ่ตัวอย่างอาบน้ำที่บ้านสะอาดน้ำอย่างดีนะใช้สบู่ใช้อะไรอย่างดีมีทาคีมทาอะไรมีก็ไปที่ทางานสะอาดมากเลยแต่เาะตเอที่ที่ทำงานของเรา น้ำนมันกินไม่ดีแต่มันก็น้าจะอาดนะแต่มันกินไม่คดีเราไม่มชอบใช้แต่เสียน้ำละหมา ด, ดดูตัวนีมันสะอาดแต่จะไปใช้น้ำที่ทำงานนี่มันสะหมิ่นไมเนี่ยแต่ต้องอ่านน้ำหมาดไหมต้องอาา่านน้ำละหมาดต้องใช้น้ามันนะน้ำน้ำละหมา เคยเคยเคยอ่นานเนื้อธรรมะอ่านน้ำที่บ้านช่วงน้าท่วมแล้วก็ไปช่วยพี่น้องที่บางบัวทองนะน้ำท่วมก็น้ำนั่นน้ำน้ำที่มันท่วมไปแเนีน่น้ำที่มั น, นท่วมมันมนะก็เป็นร้อมสักดิ์สนะผมเพิ่งรู้คำว่าศักดิสนี่มันมีความลึกซึ้งอย่างไรแต่ น, นี่มันรียกว่าใช้ทุกอย่างใช้ตั้แต่ข้า ใช้เป็นห้องน้ำใช้อัดน้ะมากใช้อัดน้ำทุกอย่างใช้ตกปลาด้วยปลาหมึกทุกอย่างต้องไปเรื่อยๆพวกก็บอกว่าเ้า ท, ทำห้องน้ำชั่วขา้าวไปโยงน้ำชั่วขา้าวมันไม่น่าเช่าเลยเพราะมันสภาพมันแย่มากใช้คนเดิน้อยนะไม่ค่อยดีเพราะว่าห้องน้ำธรรมชาติได้ใช้ ต้องน้ำธรรมชาติเสร็จแล้วสอาน้ำแล้มาที่ไหนอ่ะสะาดน้ำนะอ่านั้นธรรมชาติเนี้ยเพราะว่ด้ำกลนมองไปไหนคนดูน้ำมันสอาแน้ครัแต่บรเวณน้นน่คั้นป่วะทังอุจจาระทั้งอะแต่น้ามันสาะพวกเราจะไม่ใช้อะก็ต้องใช้อ่ะต้องใช้อ่ะก่อนน้ชาวบ้านนี่ยประเทศไทยเนี่ยแสนแส่จงไปไหนล่ะครับ ยังไงอะเป็นท่อทอน้าเสียแล้วก็อาบน้ำอรในคลองนี่ะนขาขนี่มีสบู่มีมีทุกอยา่างเลยนะับสาสบู่แล้วก็เอาขันตักน้ำแต่าตัดกับน้ำคก็เห็บบ น, อ, อ, นอะไรลอยนะอ๋ะอย่งไปสงสัยมากบริเวณนี้เนี่ยมันซ่อแล้วเนี่ยพมันมากกว่าคุณคุณลัก น, นี่ตัดอาเขาอาบเขาเขาทปนอย่างนี้มาโดยตลอดใช่ไม่ใช่ ซึ่งตึ้งจะมามาดูแลผิวช่วงนี้แหละรับตึ่งมาเริ่มเลือกแล้วอ่าอืมที่นี้ก็มีอะไรน ะ, ะอะไรจากเดซีนะมันมีดินนะดินจากเดซีโคนอโคนของเดซีมาไว้มามาป้ายมามาปักหน้า ทำไมโคลนนะโคนถ้าเราดูบ้านเราหนูโคนนะเป็นดินสีดำเลยนะเขาปสปขุดมาจัดเดสสนซีอันนั้นม า, มาทาหน้าทําไมบํารุงผิวบํารุงผิวแล้วก็ล่าสุดนี่มาล้วนไอเครื่อนสําอางบางอย่างนี่มันจะมีอุจจระของนู่นของนี่อ่นานก็ได้ปะเดียบารุงผิว ทแมนพว ก, ก, ก, กน้องนี่มันับชมพีอนี่ขอเรื่องด้ำเ่ออะไรนี่เราจะพึ่งคัดมากรึ้นเลจ้ะแต่พวกทีสันต่างนี่มีใครพูดนีไมาพวกตัวคุณมีใครเอะปากอะไรมัย้ยมีเลยชวาววาดกใช้กันเฉยเลยอะ่ะนั่นแสดงว่าเรืองศาสนาเรานี่มันเลือกปฏิบัติกันใช้ลงที่ของชอบอยากใช้ทีเดียวส่าอาาสนามาพูดเนี่ย เป็นคนต่างศสนาดิแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขายหมูเลยไม่ขายหมูเลยไม่มีอะไรที่อรามเเพราะเขาชิมมาจากมุสมวะมกินไม่กินทำไมไมเ้ใจเนเขาปงเหรอไม่เอาเนื้ปลาเไม่เอาเขามีอะไรเลยนะทำมไม่เอามีกินไม่เร้ใจเคฟเตียกินเนนมันคชอบนี ช่วงนั้นก็ไม่ชิดนะไม่เครียดน่ะไม่ขึ้นครับนะแต่ไอของนี่แบบว่าไม่ชอบอะไรก็เออก็เอาไ อ, าอาของตามเึ้นครับนี่มาใชา้การอ่านาน้ำหนาาักช้นเดียวกันนะัเอาไปขึ้นคันคในเรื่องที่มันไม่มีผลเอามาดูคุอ่านใช้จำนวนอะไรเอามาใช้จำนวน กิริยาที่เราใช้กันใช้กันเองนะเช่นฝังเสียงหนุ่มจงล้างนี่จงร้างน่ลงนะล้างน่ะก็ล้างน่ะมันเกีะไรกับความสำนึกกับคิดลักธิของก า, ารอาบน้ำมา ท, ที่จะทำให้เราเกิดเส้นแหนี่าได้จาชนิตนี้น้างหน่า นี่สิคระมันต้องจับตั้งแต่ต้นยาอัยุอัลละดีนอามันโอบันดาผุา้ศรทาไม่ใช่โอบันดาทักกีลาโอบันดาแพรโอบันดาพนักงานทางความสะอาดไม่ใช่ผู้ศรัทธาอื่นเขับมันก็ต้องมั น, มนก็ยังผู้ทีไปอีกองค์นึงเฮ้ ค่หมอค่ะหมอที่คุยกับคนปัวยที่มีโรคผิวมีสิวมีอะไรอยะโอ้บรรดาผู้ป่ยโอ้บรรดาผู้ที่ใบหน้ามีสิวรงล้างหน้าเอ็อมันก็ดีไปอย่ากนึงใช่ไหมจงล้างหน้าจงทายาตรงเออแล้อัลลอฮฺเป็นี้สํางว่าโอ้บรรดาวู้ศรัทาต้องจับประเด็นหลัก ว, ว่า น, นี่คืออะไร ผู้ศรัทธาแต่งว่าสิ่งที่จะจังนี่นะมันเกี่ยวกับผู้ศรัทธาทิศลับของมันนี่นะไม่เกี่ยวกับแพทย์นะไม่เกี่ยวกับหลักเกณมทั่วไปนะมันเกียวกับผู้ศรัทธาจึงต้องมีความหมายเฉพาะบอกแล้วการเรียนรู้คุณอ่านต้องควบคู่กับฮาริสุนั้นนะนะดิศาลลอฮฺ เพราะะนั้นลักษณะการอ่านธรรมะในอายะนี้เนี่ซึ่งเป็นอายะที่สำคัญที่หลวออ่านมที่นี่พูอ่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่ากับที่มีในสุนทรภูมิท่านระีทรบอกว่าของอาู่เสมอแั่เราม่จึเอกฉันเลยนะครัว่าลักษณะการอ่านธรรมะขอทนะดีทรงละเลยเละต้องเอาแต่เพ่งต้องอ่านละครัที่ของท่านระดีทรงบอกเลยสิมมีหลายเรื่องเขาคาดเคลื่อนแล้วนะหนม ทำไมเอาตามสํานวลกูอ่านเป๊กเป๊กอย่างเดียวแม่เอาการสนองข่้นมาดีโซโล่เลยตั้งะตเกิดเรื่องมีสงเรื่องเขาเล่าบอกว่าแล้วจงลูกหรือเช็ดศีรษะและเท้าเท้าเชี์ก็บอก็เห็นไหมให้เช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดเท้าในตรงรังในวงรังไ่ดูมามีหลัง ีเช็ดไมไม่มีเช็ดเท้ามนะไม่ใช่รองเท้าหือถุองเท้าไม่ใช่นี่คนละประเด็ท้าถ้าเท้าตายนีนะมันมีเช็ดไหมก็เ อ, อเอาน้ำแล้วก็มาเช็ดอย่างนี้ ม, นมีนี่ต้องไปดูให้คนหึ่งอันนี้เรื่องเป็นอสองเตียมยมุมไตีามมุมที่นี่สำรวมพักอ่านของเตียมมุมเนี่ยพอพูดเตียมมุมแล้วเขากวให้เ hey, ช็ด ใบแรกเมือใบแ้กว่าแลือหมหันิ้วือระบีช็ดมือทีนะเชดอย่างนี้ทั้งหมดน้เชดอานี้เอาฝ่ามือขวามาเชดหลังมือซ้ายเอาฝ่ามือซ้ายมาเช็ดหลังขวาและชดลิซนลนิบีอะไรบุคคลนรูสี มันไม่ขาดจากผู้่านนะเพราว่าว่าคืลกเนี่ยในผู้อานเนี่ยมันไม่เป็นการเรียงลาดับว่านี่ก็คือด้วยกันเน่อันนี้ก่อนหรืออันนูน่อนอันนี้ไม่ใชประเด็นต้องซุ้มอสุ้มมายแล้วอันนี้จะสับเจก่นแต่ถ้าว่านี่ลนะในภาษารนี่ไม่ใช่มารู้ลดับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งถ้าคนเอานอ่านยังเีต่ยังมุก็นเสร็จแน่แล้วก็ ช็ดมือแต่สุนัขนบีในที่นบีปฏิบัติละทำในก็คือเช็ดมือเช็ดนาเพราะฉะนั้นายละอียดที่อูในุนัอานนบีสุลต่านก็เป็นการอธิบายรสุขประสงค์ของการอาน้าละหมาดด้วยเช่นตามประเสรของจาน่างละมานีมีในสุนัขของท่านนบีสุลต่านมากให้เรามาอ่านคำอธิบาย ก่อนนะครับแล้วก็มาจากประเด็นเพราะเรืเร่องจากว่าทุกคนที่นี่อาบนล่นละหมาดเป็นใช่ไหมใช่ไหมตั้เราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเลละหมาดเป็นหรือเปล่าเรียนเสร็จแล้วนะทุกคนจะรู้ขนาดเล่นละหมาดถูต้องหรือเปล่าแต่ขณะนี้ก็ยั ง, ต, ยงต้องปน ต้องเป็นสมัยตะวันนั้นใหม่นะหรือปีเลยตึงจะรียมปกอบอย่างนี้เขามีนี่ไม่มีปัญหที่เราที่เราเรียนรู้กันแล้วปฏิบัติกันมาโดยตลอดเนี่ยอันนี้แน่นอนนะครับที่รับมาจากการสอนที่ชัดเจนนะครับถือว่าถูกต้องถึงแม้ว่าอาจจะมีอะไรที่เล็กน้อยที่บกพร่องกันนะจะไม่ส่งผลตัดเจาะความสมบูรณ์ของการทํำในบาดาลเช่นการสำมักของเราเอง ในวันล่นี้นะมันว่ง่จลสนะปุ่ง จ, จะไปกันหนาเมื่อพวกจะยืนขึ้นจะไปละหมาด ย, ยืนขึ้นจะไปละหมาดสองเงรกวนฮะกูไมหลังนะก็เดี๋ยให้อ่านละหมาดไปอ่านละหมาดนะเพื่อยืยนขึ้นไปละหมาดที่อ่นานไปนะเขาบอกว่าในวีนี่ตะบอนนูน ก, ก่อนไอเนี่ยท่านจะมีเรื่องละหมาดเนี่ยละหมาด นบีจาบน้ำละมัดทุกเวลาแต่น้ละมัทุกเวล า, วลารวมถึง น, นบีจับน้ำละมัดหลังจากเสียน้าละมัดครัง้งเสียน้ละมัดนบีปตะวะเ คนให้เสแลว้วมี่ักษณะจะไปกินคืบอกว่อย่จะไปกิน ก, กินต้องหาน้ำลมั่ต้องอาน้ำลมั่จนอายะนีู้กประทานลงมาตดีประเจว่าเส็จแล้วที่บ้ก็บอกว่าเอาน้ำมาให้อาบน้ละมหมั่งไหมบุคคไม่ต้องขาา้าพเจ้าถูกสั่งให้อาบน้ละหมั่เมื่อลุกขึ้นไปสบาย มันก็เลยประจักษ์แล้วอ่ะมีความมาเสดในการทําน้ําละหมาดเนี่ยทําอาบน้ําละหมาดเนี่ยทุกเวลาที่มีการเสียน้ำละหมาดอันนี้ใช่ใรับสารซึ่งน้ําละหมาดเสียน้ำละหมาดให้อาละหมาดแต่ว่าทิพไม่ไม่หว่าทิพแล้วเรีว่าิพย์อุ้ยางคนเสียน้ําละหมาด เราอยว่ในลักษะที่ไม่ละตราบใดยงไมีเวลาละหมาไม่ต้องละมานะอยอย่างนี้แบบไม่มีน้ำละหมาดได้ไหมบาดไหมไม่บาดมีเจรณาบ้างฮาลาตเล็กน้ออาจะวางท้านฮาตล็กฮาลาย่เจราบ้างร่วมลันอนปั่เตียอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาละหมาดปันเตียงกลางคืนยังไม่ถึงเวลาสุบต้องลุกขึ้นอาบน้ำเจรา ทันทีหรือเปล่าป่ะไอหูนี่มีเจนาบัทั้งคืนเลยอ่ะตั้งคืนเลยตนถึงซุปเปอร์นี่เวลาแล้วหนานะแบบ ไ, ไม่แต่อันไหนด้กว่าอ่ารวมกับนอนหรืมีเจนาบาัตแล้วเนะให้รี่อาจนอเจนาบาัต นมีมีสองสุนัขในเรื่องนี้หนึ่งมีเจรนาบนี่อานเจรนาบ้าเลยสองถ้าไม่สะดวกกับน้เจรนาบเช่นมีเจรนาบ้านกลายนเราไม่สะดวกที่จะไปเตรียมน้ำเรียมอะไรแต่มีตะจากเลีละมาสอันละมาสอานี้อาบน้ำละมาสย่งเดียวนะแล้วก็นอนจนถึงเวลาป่อยโซ่เจะมุกขึนอาบน้ำอย่าี มีฮาริตที่บอกว่าคนนี้มีจราเขมาลุกสึ้นหนาน้ำจระเขมาเลยก็จะแช่ทั้งคืนเป็นฮริบ่อยยิบดันหรือมองตัวใช่าหละแต่ก็สมควรนะครับเพราะฮารเลกกับฮาริตใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าเป็นสภาวะความไม่สมคูรของวุฒิฐาที่ไม่พร้อมัำไมบาดาลเน่ ก็เจอแแต่จอล่าได้ไหมเขุนเอ่านพูอ่านสำปกพูอ่านเนี่ยไม่ได้แสดงว่าไม่สมบูรณ์แต่เราไม่เป็นอุปรรคนะครับในการอิสลามท่านเหชอกว่าทมสุลาลั่กนผู้มโหสถีมูอาตมีในอิมเนทุกกรณีทมีจนาบังมีจนาบังเนีย มีฮัจะฮัลมใาตันนบตัคาการพุดอาลักษณจะนบไม่ได้สำหักรดอาลกเล็ก็ไม่ได้ในตัวฉันละมาสนมากเพา้ว่า่ิลสลามเมื่อพวกทนยืนขึ้นไปละหมาดนั่นแ่ละถือว่ายิบแล้วต้องอาบนั่งละหมาดต่มันวายิบ อกกุณหภูจจจจจิจะววังวัวัดวัยดุไม่ใช่วัดททีอาาแล้วต้องอ่าอนองั้ยบไม่ต้องเอาแล้วจะลุกขึ้นไปละหมาดัแล อ, อาาแล้วลุกขึ้นไปละหมาดต้องต้ององ่านมา แต่สมมติว่าเราจะลุกขึ้นแตละมามจะไม่จะไม่ไม่จะมาช่งแรกของเวลาสมมติว่าสมมติว่ามันจะได้จินตนาการง่ายดูรีนี่เข้าเวลาบ่ายโมงแล้วเวลาอตรีสี่โมงแว่ามีกี่กีช่ชั่วโมงสามชั่วโมงัมนะ เวลาเรกเรารู But, ้ด so, ีจะมีสาชั่วโมงเวลาระดชั่วโมงแรกชัมงที่องชั่วโมงที่สามจะถามแบบนี้คุณได้เข้าใเวลาระเวลารีสอเวลารีสาเวลาระนเกว่าคีลเวลาร่ง เวลาที่สองนี่ก็เรียกวกตูริสติโอเวลาเลือกให้เลือกอย่างพเลือกได้เวลาที่สามนี่ก็เรีวักตูรติโอเวลาจำเร็จจำเป็นแล้วะที่จะต้องเลือกไปถึงเวลาที่สามไม่จาเป็นอย่าเลือกไม่มีจาเป็นอย่าเลือกจะเก็ดเหตุแล้วเอาเวลาแรกขโมยได้แล้วเรื่องที่สองเนี่ยก็พอําเดาถึงเองไม่มีจวาจำเป็นต้องําเรื่อย่างอันอันห แลวสายมาตรงจำเป็นนะั้นก็ไม่ดีนะเลื่อนไปถึงเวลาสุด้ายนี่ไม่ดีเราไม่ชอบเอ้าวไอ้บอล น, นี้เวลาเ็ิเสรังดูบอลอยู่เวลาเลือดเอ็ดดูนะดูดูโฆษณาหลังบอลยัมีโฆษณาเขาบอกว่ยังมีอีกชั่วโมงหนึ่งเวลาที่ <JEFF> เขามาดูเวลาที่สามแลมียชั่วโมงนึงนะแต่ยังแรงเลยอยู่ดูอันนี้อาจารย์ไปอาจารย์สี่โมแล้วสมมติคนคนนี้ในครั้ละมาใช้เวลาละมาดบุหรี่ของเขาเนี่ยสิบนาทีเวลาใช้ในการอาบน้ำละมาดสี่นาทีสมมตินะครับสองนาทีสมดติสดงว่าจะกสางถึงสี่โมงเนี่หรือ ถึง4โมงประมาณ12นาที2นาทีไว้อ่านละมาดบ0นาทีไว้ละหมาด ก, ก่อนเข้าเวลาอภิเรีสนะิมี12นาที2นาทีอ่นาน10นาทีละหมาดแสดงว่าจะลุกขึ้นไปละหมาดเนี่ยจะจะว่ายิบเนนะี่ยอานลหมาดว่ายึดแล้วสิพอเหลือ12นาทีจิด น, นักสวดสัง ไม่มีสิทธิ์แล้วนะที่จะลังเลที่จะเลือก ท, ที่จะพิจรารณาไม่มีแล้วฉะนั้นเราก็จะมองว่าความเป็นวาจของอ า, าละวาดเนี่ยมีสองกรณีกรณีแรกกรณีที่รเราตัดสินใจว่าจะละบาปใบมงแต่ที่จะละบาปใบมงเนี่ยทำาปในระดับครับพเพราะรับเป็นอย่างนี้ละบาปมันเซ็ตไม่ได้แต่ใ น, นวาจถ้าเรานี้อกเวลาและบาปของเราเรียบร้อยแล้วนะ ว่ายึดตัวการเป็นอั่างไรฝังสิ่งการก็ยังไม่เลือกเวลาและหมาของเราชัดเจนในะ่ไหมเวลามันก็จะถูกเลือ่อนก็ตามระพยาศัยจนถึงเวลาเบรุร้ห์แล้วเราเลื่อนไม่ได้ละเลีอเล่อว่ได้อย่างนี้ไอ้าบางเรื่องชนิดหน่งรัก็จะมีกำหนดการของเวลาที่เป็นทางเลือก แต่บางเวลาจะเป็นกำหนดการที่เราเลือกไม่ได้บางทีต้องเปลี่ยนลักษณะของการทำใบบาระด้วยเช่นนี่เหลือ12นาทีเข้าเวลาสิ่งเอ๊ะ แล้วเรื่เหลืออัตริ น, นี่นแสดงว่าคนละมกดูฮีนี่ใช้สิกลาทีเหลี่ยแล้วราาาักษาละกีมะทีครับสองนาทีขึ้นวกว่าาถ้าสมมติว่าเหลือเ ห, หลือสี่นาทีไมสองเหลหือสี่นาทีต้องอาไว้ละมาสองนาที แล้วเหนือจะได้เขาอัครีแล้วะเลยอีนาทีอิกสองนาทียาปกตินี่เขาจะละหมาประจาเป็นสองนาทีครึ่งส่วนแม่ท่านมิสโซลมาเซลาโมลาละมาดิท่านมิสจะละหมากราคาเนี่ยมีการละหมาดยาวกวาราคาเช่นอื่นสำหรับคนคนนี้นะที่จะละหมาดส่วนนึงของเวลาส่วนหนึ่งของละหมาดนในเวลานะ จะต้องรีบเร่งละหมาดเพราะตามหลักการศาสนานี่ถ้าได้ทันหนึ่งระกามันอัศรศรกาดั้นประกันอัศรศรัลใครที่ได้ทันหนึ่งระกาเนี่ยเท่ากับทันละหมาดทั้งหมดเลยถ้าสามารถละหมาดหนึ่งระกาในเวลาเท่ากับละหมาดทั้งเวลานี่ยังเป็นข้ออุ้มอุลุนะจะอุ้อนลุนให้แก็บคนนี้จำเป็นจริง ไม่ใช่คนทีเอาความจำเป็นมาใช้ทุกวันเพราะเขาไม่อรุมอัลอยกับคนแบบพุ่งทุกวันคนโง่ทุกวันก็ตองกหน้ากันชั้นไม่อารุมอัลวย ผมรู้ว่าหนุ่ยนี่หมายถึงว่าทุกวันเนี่เขาละห l าดตรงเวลาแต่มีวันหนึ่งมั น, มนฉุดเฉนจริงๆอ้าวศาสดาต้ององให้โอกาสนะ12นาทีอีก2นาทีต้องอ่านหนังบัดะกันต้องให้หนึงก็กัด อ, อยู่ในเวลาดูนี่ถือว่าท่านอาดแนไม่เสร็จถอว่าท่าะบัดในเวลาไม่ใช่นอกเวลาทีนี้จะมาทำตามส่วนแรกก็ดีนะส่รนแรกยัาการเ่งต้องยาวกว่า ก็เอาสี่สี่นาทีไปแล้วนาะฬกาแย่กนะสีนะก่นทะีนาฬิกาแย่เนี่ยถ้าไม่รู้กัวก่อนอาจาะนะต้องรูก้กัก่อนอาจารย์่ไม่ได้ต้องเอาซุ น, น่านาวีทไมอ่ะมันต้องเป๊ะๆนี่แหละเป๊ะๆมาถึงจุดนี้แล้วก็หลงทำไมอ่ะแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยใช้อะไรวิจารณญาณตัวบเดียวนะหลง ف و َ ب ِ أ و ك ا ن ي ط ي ل ُ ف ي ا ل ر َّ ك َ ع َ ا ل ْ و ل ى أ ك ث ر م ا ي ط ي ل ُ ب غ ي ر ِ ه ا س ُ م ا ن ي ل م ْ ر ك ع َ ن َ ا مَا فَرَجَاتٍ أُنْتِي بِبِتْلِي و َ ث َ م َ ي ك ع ن ا ل ل َّ ي َ و م َ ة اِذَا أ ع ت ه ي َ ا ا ل َ ا ل ทำยังไงก็ต้องละหมากรากแรกเนี้ให้ตั้งที่สุดเพื่อทันอาเดชทันให้อยู่ในเวลาอันนี้มีตัวหมดไหมให้ละหมากรกตั้งเนี่มีตัวหมดไหมไม่มีตัวหดแต่เป็นการช่างเป็นเรื่องมัวจะนะเป็นการช่างระหว่างสองอย่างจะละหมากรกบ้องดีกว่าเรื่องละหมากระดละหมาดราดดีกว่า แล้วากราษแรกมันสั้นไม่ทาซุนเพือเลกแต่วาชิพใช้อยู่ในเวลาเอาอันไหนดีกว่าก๊ะเอาวารชิพอยู่ในเวลาหรือเอาซุมน่แตไม่ได้วาชิพสกมุวยะแต่กุตกเต็กๆนี่นะจบมาถึงจุดนี้หลกเลอแต่ไม่ถูกถูกตามตอกตามซุนมนะีสิเอาหอยางลาหอยางจบเลยเป็นขบะแล้วมือนขบะทะล กราท่ว ง, ง, งุงิรัาเมื่อลุกขึ้นปรรจุในี่นี่เป็นอ้อเท็เกี่ยวกับเวลาที่บ า, ารยรเียนเมื่อเมื่อพวกเจ้ายืนขึ้นจะไปละไม ย, ยืนขึ้นจะปละไมต่อสิ้นวิญญาณัะยของการเียนเนี่ยเมื่อยืนขึ้นไปละไมสาหรับผู้ศรัทธาแล้ว ก็จะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเอาแตเป็นประเด็นสุดท้ายก็ไม่ได้ยืนละยืนขึ้นจะไปละหมาอีกลุ้ณต้องอีกสะะักหนาคุณต้อ ง, ตองอีกสะะักหนายืนขึ้นไปสู่การละมายืนไปยืนขึ้นไปยืนขึ้นจะไปละมา เหมือนว่าละหมานี่เรียกแช่ไหมเราก็ยืนขึ้นไปคือไปหาละหมาดมันก็อมีอะระยะสำหรับคนที่คิดทะลุซึ่งนะครับของภารกิจคนที่ไปละหมาดเนี่ย <c oughs> ซึ่งความพร้อมของกิยาคนที่จะต้องยืนขึ้นไปสู่เป้าหมาย ยกถ้วยเช่นดอย่างนี้ต้องยืนขึ้นไหมต้องยืนไหมคือถ้าเหยียดนี้นะพอยืนแล้วตองอย่างนี้ชนชนถ้วยกันนอนนะเรื่องอะไรเรื่ออะไรเช่นตัวเราเขาฉลองกันอะไรกันต้องยืน แต่จเดินไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนแต่มีคนาวางีมตงบองใหญ่เบ้อิมเอาชดยกผมนั่งนีลยกได้ปะไม่ไหวไม่ดีสหรับุภเราต้องยืนตยืน้ต้องยืนเลยย ก, ยยกดูเหมือน่ การละหมาดีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เรามีความพร้อมในการในการเริ่มภารกิจเหล่านี้ภารกิจเหล่านี้มันไม่ใช่ภารกิจที่ทํำยังไงก็ได้ก็จะเป็นคําตอบตัวชัดเจนสําหรับคนที่ตกแตริกัสสุบีแตริกัสที่บอกว่ามาดีละหมาดยังไงก็ได้เดินก็ละหมาดยืนก็ลมาดไปไหนก็ละมาด ละหมาดอางนั้น่ะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะนี่เป็ น, นตการตอบต้ชัดเจเพราะการเตรียมพราะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเตรียมอาม่ละหมาดหรือยืนเฝ้าเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ความพร้อมตั้งแต่ร่รางกายและจิตใจภายในเนี่ยล้วนแล้วเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมีอะไรที่สี่สีเพราเวลาเวลาละหมาดเวลาละวั น, ว น, ว น, วนเราจะต้อง จำเนตถึงความหมายลึกซึ้งของคำว่ายืนพุ่มพุก ม, มอิ ล, สะละัสซลนี่มการสนองตอบรับคำเรียกร้องของอรัสฟาโลกาอัลลอฮ์เรียกแล้วเราก็ยืนไปสู่การละหมานี่แสดงว่าคงพวกนี้เนี่ยครบจบแล้วนะปัหาลังเลจะเอาละหมาไปเอาละหมานไมลุกขึ้นไม่ลุกขึ้นอันนี้เขาข้าไปเด็แล้วก็ เขาได้แล้วเสโครตคำสัง่งบัญชาลแาล้วจะคุ้นสนอนแล้วจะลุกขึ้มมะะนไปน้ละมั่แล้วะอาน้ละมจิตใจแบบนี้นะครับอือจิตใจของผู้ศรัทธาอายุายาวัลลีเราจิตใจของผู้ศรัทธาที่มีความร่ำที่จลุกลลขึนะะ้นนอมรับคำสั่งล็อกและจะละหนอจีงสะอาดน้ำละมะาพราว่าจิตใจของคนที่ถูกเรีนแล้วและยังไม่ลุกขึ้นอือ อาจาย์แล้วแบ่งเวลาแล้วเพราะเรืยนงยองื่นที่อาจจะมีและมันไม่ไม่ขัด ก, กับละหมาดนะเช่นยังกินข้าวอยู่ยังต้องทำธุระให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีอะไรจนเป็นวาวจิตมากอลยนะแล้วเวลายังไม่หมดนี่อันนี้ก็พอคามกำลังแต่เวลามาคุ้มถึง่างละเอียดมากที่แบ่งเวลานี่เวลาหนึ่งสองสานี่นะ บ่ายโมงถึงสอ ง, งโมงถึงสามโมงถึงสี่โมงไม่เอื้กให้เลื่อน เ, เวลาจากช่วงแรกถึงช่วงที่สองเว้นแต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจใจะละหมาปในเวลาถัดไปหมายถึงว่าอยู่เวลาบ่ายโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจิตใจเราเนี่ยโล่งไม่มีความตั้งใจที่จะละหาดเลยเอ่ะนะเนี่ยช่วงนี้ที่ไม่มีความตั้งใจถือว่าบบา เป็นเวลาบาปทาไมเอาจลงจะละหมาดเนี่ยีีไรหรืเปล่าม่ได้นะเข้าเวลาละหมาเนี่ยตั้งแต่เข้าวัดทุกคนจะต้องมีความพร้อมนี่ไมันไม่ได้พร้อมในเร่อง้นว่าจะต้องลุกขึ้นไปละหมาดไม่ติดใจลุกขึ้นแล้วเข้าเวลานี่ตรึงนถ้าอะไรก็มันตรึงละจะชิงอมาไม่ไม่ไม่ันที่ละ จาเขาห้งน้ก็ไม่กันเพราะเขาเวลาแล้วเหมีอะไรที่กำลังกำลังอยู่ในจินตนาการตลอดนี่ถ้าคนเล่านี้ในธรรมดาบางทีเวลาที่จะต้องละหมาดนี่ะต้องมีหลักสาการยืนที่มันก็เป็นกรรยาปกตินะครับสำหรับคนที่จะไปสู่วาระสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาทุกวันทุกคืนเขาเข้าอัลลอฮฺเราละตุนตุนอิลลัลละวรรณนี่เ ไม่มีวาทะอื่นที่สามารถแย้มมายึดพื้นที่ในหนัวใจของผู้สัทาแต่นะสฝึกลนตัวเองนะครับในการมองถึงเรื่องละหมาดมองถึงภารกิจการทำมารดักขฮอเรามในหัวตาเราว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสาคัญมากที่สุดในชีวิตของเรา สมควรดทุกสินงทุกอย่างมีประโยชน์มหาสาลสำหรับผู้ศรัทธาที่เอาเรื่องละหมาดนี้มาเป็นปาราสําคันทำไมรู้่าจะได้คุกประโยชน์ของละหมาดเหมือนทุกทการอิดฮัจบะฮูอัมรุสเซียอิลสลัลซึ่งในบีเมื่อเคร่งเครียดประสบกัความยากลาบากเสีย ีรีบเร่งไปสู่การละมาเมื่อถึงเวลาละมาเดีก็จะจักบิลาอะหริลาอิฮายาบิลอุบิเลตอล า, อาัตทีให้เราสบายอกสบายใจแสดงว่าเวลาละมาสำหรับมุสลิมเนี่ยมันเป็นอะไรนะเขาเห็นมันอวนแพนอย่างที่ถุกคอไว้แล้วก็จะ อะไรทุก อ, อย่างจะเป็นต้งไม้หรือจะเป็นเหล็กแล้วแล้วก็ผูกไว้แพ่นี่มันก็จะไปกินไปดื่มแต่พอตกไก่แล้วเนี่ยเชือกนี่มันจะเป็นอะไรจะตึงพอตึงแล้วเนี่ยจะโยนคอไปไหนนี่นะมันก็ไม่ไปมันตึงสภาพเหล่านี้เนี่ยของมุขลิมเนี่ยเวลาผูกพันจับเรื่องละหมาด ถ้ายังไม่ละหมาดนี่มันมันตึงทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่มันมันทำได้อย่างสมบูรตรากใจสิที่ขององค์เงียนยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ต้องฝึกผนแบบนี้ต้องฝึกอย่าให้เกิดความรู้สึกสบายใจขนักยังไม่ละหมาดจะอันตรายมากเพราะเป็นลักนณะของผู้ปฏิเสธสัจธรรมผู้น่าพิจา นลีบอกะให้ก็คอบุคครีมันิธิจะละเลยเวลาระหางอสุรีคอยให้ตให้ดวงอาทิตใกล้ตกขอบฟ้าจึงจะลุกขึ้นระใกล้โอ้โหี่มันมีใจได้ไงย่างอย่างอีย่างอีย่างอีย่าง ยังเออเอใหญ่นักนยังฉันไม่ตกฟองฟ้าเลยฉันออให้ตกตกหอดต้าเลยอ่ะนี่จิตใจขนาดนั้นเลยอย่ะและว้วขณาเนี้ยังให้มุสลิมเบนนะฮะแล้วจะาำเป็นมนะุลาสิกทำเป็นกัสคือไม่สนใจเรื่องละหมาดไม่ได้อยู่ในในจินตนาการในแผนปฏิบัติการของเขาที่จะวัดประจำวันนี้ครับ คงฝากเป็นแค่นี้ของท่านละก่อนทหารขุนะะขนาานี้ก็มีเยอแยนะนับที่จะต้องบางทบทวนกันอครั้งหนึ่งะครั บ, บ ไ, ออไม่ใช่บอกาตั้งแต่งอเนมอเชนงอไม่ช่งอค่ะพูดสครั้ง น, นะครับครั้งที่สองนี้น่าจะใช่งนะอหมดเลยงอหมดเลยต้องมาอับดุลนะครับอัดุ ก็เดี๋ยวนี้มผมผมงอกำงองอคกับอ่ใครจะไป อ, อาบเวลาที่ประสทศไทยหลุดหลุดบ้าง <c oughs> ก็มีแค่นี้นะครับที่จะประจะสษ์ทำแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพี่น้องอย่าลืมขออวยให้พี่น้องที่ประเทศซีเรียประเทศสีหร่านประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันจะเป็นบาปอีกบาปหนึ่งถ้าเราไม่ทำหน้าที่นะครับเขาไม่มีความขัดแย้งระหว่างอุลา ม, ลมาว่าความช่วยเหลือใกล้ตัวต้องให้ก่อนความช่วยเหลือไกลตัวคนใกล้ตัวที่ประสบปัญหาเหมือนอิปต์เหมือนซีเรียแลว้วจจะมา่ี้อให้เี้ อย่าว่าประทศพม่านะครับไม่ใช่นะอย่าว่าประเทศพม่านะมีะ ป, ระมะประเทศไทยนในโตโมอลต่างๆนี่มีที่น้องรุเมียที่อยู่ในเรือนจำอยู่ในห้องจับกุ่มที่ไร้สิท ธ, ธิมนุษยชนบางคนนีเดินไม่ได้แล้วเป็นพิการแล้วนะครับความลําบากความเดือดร้อนในการกินอยู่ของเขานี่นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้อง ไม่มีควางขัดแย้งว่าอุลามว่าเข้าบกกลงเรื่องนี้น่ะจะไปดูเรื่องอื่นหรือเรื่องดูเรื่องอื่นแล้วเรื่องนี้เนี่ยยังบกกล้องอย่ก็บาบนะมันจะบากซัดขออย่าลืมขอด้วยพี่น้องหนุ่เนียยด้วยอันนี้มีข่าวดีว่าทางรัฐบาลเขามีในโบรับที่อาจจะพยายามต่อยพี่น้องหนุ่เนี่ยแต่ต้องมีปฏิทินสามที่รองรับเขา ทขาไม่ส่งไปประเทศพมาะ ต, ต้องอยู่ะนีกำเจรากำลังหาข้อม่งนะครับเศรษฐบรีสามก็มีแต่ประเทศมาเลเซียพีห์ูเียบอกว่าขอไปประเทศไหนไไก็ได้ไปอิกไไปทิเบตกไมันจะดีกว่าเออเขาไปไหนก็ได้พี่น้องที่อยู่ในในใ น, ในตอมกันไปไหนก็ได้ ขอให้ผมจะเนี่ยก็อยู่เนีขก็ลำบากจริงก็ช่วยเขาทุกอ่านเรื่อมี้ด้วยนะครับขอให้เราซีเรียต้องอัลจายรีก็ลำบากแล้วะร